บทที่สามผู้บุกรุกใบคร้อยน้เลออกมานั่งที่ซุ้มจิงช้าโดยมีเจ้าอุ้ยหวยสุนักพันยอกเชียเทอเรียนั่งหน้าตั้งตาแปว๋วอยู่เคียงกายเด็กสาวกำลังอ่านหนังสือธรรมะให้สุนักคู่ใจฟังด้วยความเชื่อว่านั่นจะเป็นนิสัยปัจจัยท่งมันให้ไปเกิดพบหน้าในสุขติภูมิได้ความจริงสุนัโดยเฉพาะที่แสนรู้อย่างยกเชียนั้น มีบุญเก่าส่งให้มาเกิดในเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดและตื่นตัวในการรับรู้มากกว่าสัตว์อื่นอยู่แล้วเราสังเกตสังกามาแต่ไหนแต่ไรเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุ้ยโหยกับสุนัขทั่วไปตามท้องถนนจะพบรายละเอียดข้อแตกต่างหลายต่อหลายประการเช่นอุ้ยโหยออกท่ามือลอยน้อยกว่ามีท่าทีอยากรู้อยากเห็นอยากเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่มากกว่าเมื่อทดลองอ่านธรรมะให้มันฟังนั้น แรกๆเจ้าอุ้ยโหยทำท่าแปลกใจที่หล่อนไม่เจาะแจะเล่นหัวคลอเคลียกับมันอย่างเคยและพอเห็นหล่อนก้มหน้าก้มตาพูดกับหนังสือท่าเดียวอยู่พักหนึ่งไม่หันมามองมันเลยแม้จะพยายามนัวเนียหรือเห่าเรียกอย่างไรก็ตามในที่สุดก็ออกท่าลุกลิกหันเหความสนใจไปทางอื่นแต่เมื่อหล่อนอดทนอ่านหนังสือธรรมะให้อุ้ยโหยฟังหลายครั้งเข้า ก็ดูเหมือนจะมันรับทราบผ่านกระแสเสียงตั้งแต่เริ่มอ่านว่าหล่อนกำลังทำบางสิ่งที่พิเศษก่อให้เกิดบรรยากาศเยืกเย็นผิดแปลกแตกต่างจากธรรมดาสมควรสงบเสงี่ยรับฟังโดยดีมันเริ่มมองหล่อนเขมงด้วยอาการตั้งใจจริงจังนานขึ้นนั่นทำให้เด็กสาวดีใจและมีกำลังใจทำเพื่อมันยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปด้วยไฟร้อนมีอานาจเผาผลาญระเบิดเวลามีอานาจทาลาย แต่กรรมชั่วมีอำนาจเผาผลาญและทำลายสมบัติต่างๆในชีวิตผู้ก่อกรรมโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟร้อนหรือระเบิดเวลาใดๆอากุศุลกรรมที่ทุกคนก่อไว้ไม่ต้องการพื้นที่จัดเก็บไม่ต้องอาศัยสิงสู่อยู่ในกายเราไม่ต้องแทรกตัวอยู่ในอากาศแต่เหมือนเงามืดไร้ตนที่สามารถติดตามจิตวิญญาณเราไปทุกหนแห่ง ระดุดศัตรูผู้คอยจดจ้องเล่นงานกันในจังหวะโอกาสเหมาะเราก่อกรรมได้พิสดารเหลือแสนและ ว, วิบากกรรมก็ปรากฏแสดงได้หลากหลายเหลือขนานับทั้งแบบตรงไปตรงมาเหมือนกับที่เราทำและทั้งแบบอ้อมๆคล้ายไม่เกี่ยวเนื่อง ก, กันกับที่เราทาลงไปเลยอีกทั้งการให้ผลก็ไม่เรียงลำดับแน่นอนเหมือนตอนเราเข้าคิวชมมหรสพ ไม่มีใครสามารถรู้กฎแห่งกรรมได้ละเอียดเหมือนพระพุทธเจ้ารู้แต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้สั่งสมบุญย่อมสวยสุขกับการลอยคอในทะเลบุญผู้สั่งสมบาปย่อมสวยทุกข์กับการจมปลักในลมบาปตัวเราย่อมรู้ความจริงนี้อยู่แก่ใจไม่จําเป็นต้องให้ใครยืนยันว่าทำบุญเป็นสุขทำบาปเป็นทุกข์ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาย่อมชัดเจนพอ เว้นแต่จะไม่ใส่ใจพึงสังเกตหลายครั้งบุญกับบาปอาจไม่ปรากฏเป็นแสงสว่างหรือความมืดทึบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในขณะที่ต้องตัดสินใจเลือกกอรอกรรมอะไรสักอย่างสถานการณ์บีบคั้นเฉพาะหน้าอาจทำให้เรามึนงงว่าเส้นขั้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วอยู่ที่ตรงไหนและการกระทำซ้ำๆจนเคยชินเป็นนิสัยก็มักทาให้เราเข้าข้างตัวเองว่า อย่างนี้ผิดอย่างนี้ไม่ใช่ความเลวอย่างนี้ไม่น่ารังเกียจหากปราศจากการไตรตรองด้วยปัญญาแล้วคนเราอาจหลงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้ง่า ย, ายเพียงเพราะไม่เคยเห็นเปรียบเทียบให้ชัดๆว่ากงจักรเป็นอย่างไรและดอกบัวเป็นอย่างไรเมื่ออ่านหรือฟังธรรมสักพักหนึ่งขอให้สังเกตเถิดแม้จะจาไม่ได้ทั้งหมดว่ารับเนื้อหาธรรมะประการใดเข้าไปบ้าง แต่อย่างน้อยที่สุดความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกโปร่งเบาความรู้สึกสว่างจากประกายศรัทธาจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยในดวงจิตเสมือนน้ำที่เอ่ขึ้นจนเต็มสระนั่นแหละตัวอย่างของกุศลนั่นแหละตัวอย่างของดอกบัวที่พร้อมจะบานขึ้นเหนือน้ำเป็นตรงข้ามกับกงจักที่ยิ่งหมุนก็ยิ่งผันตัวลงต่าไปถึงก้นเหวแห่งความหายยานะอ่านมาถึงตรงนั้น นัชเลเกิดความเห็นจริงตามด้วยกระแสจิตอันว่างเบาเบิกบานในภายในจนต้องปิดหนังสือวางข้างตัวชั่วคราวเพื่อเอื้อมือรูปขนอันละเอียดนิ่มนวลดุจแพรไหมของเจ้าอุ้ยหยด้วยความปรารถนาจะฝากปัญญาทางธรรมในจิตตนผ่านสัมผัสละเมียดละไมไปถึงตัวมันให้ถนัดขึ้นเด็กสาวรู้สึกถึงสนามพลังอันเป็นกุศลสว่างรอบๆตัว ซึ่งแน่นอนย่อมเกิดจากต้นแหลงคือดวงจิตอันดื่มดำรถธรรมของหล่อนนั่นเองนาทีที่รับรถธรรมปรุงแต่งจิตใจให้เป็นมหากุศลนั้นดวงจิตมีคุณภาพพอจะอย่างรู้ได้ว่าสัตว์เลี้ยงของตนพปรยรับอนิสงส์ไปด้วยอย่างแน่นอนคือมันมีใจยินดีในคำพูดและสัมผัสอันเป็นธรรมของหล่อนดุจเดียวกับผู้เดินทางกลางเปลวแดดย่อมยินดีในร่มเงาของไม้ใหญ่ และผู้อยู่ใต้ร่มไม้ย่อมคิดอ่านก่อกรรมบนพื้นฐานของความเยือกเย็นใจเสมอทว่าในบัดนั้นนชเลก็มาถึงความตรหนักประการหนึ่งคือเรื่องของธรรมะนี้ต้องสื่อกันด้วยภาษามนุษย์จึงพัฒนาเป็นปัญญาขั้นสูงจะสื่อผ่านกระแสจิตตรงตรงไม่ได้เพราะแม้มนุษย์ด้วยกันก่อนเปิดหูเปิดตารับข้อมูลใดๆใจต้องสนหัวข้อนั้นๆเป็นอันดับแรก และแม้เมื่อสนใจแล้วก็ใช่จะรับข้อมูลได้ครบหมดทุกก้อนบางก้อนเด่นหน่อยก็รับรู้ง่ายและถูกจดจำได้สนิทบางก้อนปรากฏเพียงพระเรือนก็รับรู้ยากและถูกหลงลืมไปสิน้นขึ้นอยู่กับพื้นหลังของแต่ละคนว่าส่งเสริมให้เห็นข้อมูลส่วนไหนรับยากส่วนไหนรับง่ายส่วนไหนหน่าจดจำส่วนไหนหน่าทิ้งขว้างเช่นนี้จะหวังให้สัตว์ฟังหล่อนสาธยายธรรมะ เข้าใจทุกคำจดจำได้ทุกตอนลหรือคงเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้สุนัขพันฉลาดขนาดเทียบไอได้กับเด็ก5ขวบหรือ10ขวบอัตภาพของสัตว์ก็ย่อมกีดกันปัญญาระดับสูงไว้ไม่ให้เกิดขึ้นมีแต่อัตภาพมนุษย์นี่แหละที่เหมาะแก่การเรียนรู้และยอมรับธรรมะเข้ามาปริสิฐถานนาดวงจิตเต็มร้อยเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย เมื่อมองปุยแม่ขาวเบื้องบนแล้วลดสายตาลงมามองแค่ระดับหลังคาบ้านตรงข้ามจับจ้องจานรับสัญญาณดาวเทียมพึมพำรำพึงกับเจ้าอุ้ยโหยไม่ดังนะักบ้านคนมีแต่จานรับสัญญาณภาพเสียงสร้างความบันเทิงถ้าใครประดิษฐ์จานรับกระแสความดีจากสวงสวรรค์ได้โดยตรงก็คงวิเศษเลยนะอุ้ยโหยทุกคนจะได้รู้ทางสว่างไปเกิดในที่ดีกว่านี้กันเจ้าอุ้ยโหยครางอิง เรากับตอบว่าเพียงฟังเสียงหล่อนแค่นี้ก็คล้ายรับกระแสความดีจากฝั่งฟ้าแดนสวงอยู่แล้วขนาดนั้นเองผีเสื้อสองสามตัวบินเรียพื้นหญ้าใกล้ๆสายตาโชคอุ้ยโหยถูกดึงไปมองจ้องแล้วเสียงครางอิงก็แปลเป็นเสียงเห่าแหลมทันทีมันโดดแผลวจากตักเจ้านายไปทางกลุ่มผีเสื้อและใช้เท้าตะปบอย่างจะขอเล่นด้วย ปกติยอกเชียจะสนใจสัตว์เล็กเคลื่อนที่เร็วจำพวกหนูมากกว่าอย่างอื่นแต่แปลกที่คราวนี้เจ้าอุ้ยโหยลงไปเล่นกับผีเสื้อคงน่าจะเป็นเพราะถึงคราวคาดของสัตว์ปีกตัวน้อยเพราะพอเจ้าอุ้ยโหยตะบบทีเดียวชีวิตผีเสื้อตัวหนึ่งก็ถึงการอาวสารทันทีนัชเลเหลือบตาตามไปแล้วตกใจแทบสิ้นสติกรีดร้องรั่นทลันร่างไปย่อลงตีเจ้าอุ้ยโหยดังป้าบ ยังผลให้สุนัขแสนรักร้องเอ e งด้วยความเจ็บปวดและตรหนกยิ่งยานะไปฆ่ามันทำไมเด็กสาวตะหวาเสียงเกลียวหวังยับยัง้งฆาตกรรมก่อนสายเกินการแต่ช้าไปเสียแล้วผีเสื้อดวงกุดกลายเป็นแผ่นกระดาษเล็กๆสีสวยที่ขาดวิ่นออกจากกันด้วยแรงฉีกของมือสนร่างที่เคยบินได้บัดนี้ไรวิญญาณครองเสียแล้วน้ะเลหน้าซีดเผือด อุ้มเจ้าอุ้ยโหยชูขึ้นระดับสายตาจ้องตาลุกเราากับกำลังจะเข้นคอมันอยากเป็นหมาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรือไงสุนัขตัวน้อยอกสั่นขวัญแขวนด้วยเพราะไม่เคยเห็นเจ้านายทำหน้าดุราวกับนางยักษ์เยี่ยงนี้มาก่อนมันร้องงีดงีดหัวหดด้วยความหวาดกลัวลนลานพยายามดิ้นหนีให้หลุดรอดจากเงื้อมือนายผู้กำลังแผ่รังสีอมตปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณ ข้าทางเจ้าอุ้ยโหยยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันอาจโดนอาญาร้ายแรงได้ทุกเมื่อพอเห็นสุนัขหัวแก้วหัวแหวนตัวสั่นเทาเอาแต่ดิ้นคลุกขักไม่พยายามใช้เล็บหรือเขี้ยกับเจ้านายแม้อาจเป็นวาระสุดท้ายนัชเลก็กลับสติเปลี่ยนจากโกรธสุดขีดเป็นสงสารแทบขาดใจแทนเด็กสาวเบะปากร้องไห้โฮ ดึงร่างเจ้าตัวน้อยเข้ามากอดถนอมสำนึกผิดที่ตนทำรุนแรงเกินกว่าเหตุสุนัขพันธ์เปราะบางอย่างยอกเชียอาจช็อกตายได้ไง่ายเพียงเพราะถูกตีและแตะคอกคุกคามแรงๆปกติวิธีลงโทษสถานหนักก็แค่ดีดปากและแตะวานห้ามคำเดียวเท่านั้นที่ผ่านมาหล่อนก็ทำกับมันแรงสุดเพียงม้วนหนังสือพิมพ์เคาะกะโหลกเพราะมันเชื่องและเชื่อฟังหล่อนขนาดเรียกชื่อทีเดียว ก็หยุดทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วเมื่อครู่หลอนขาดสติเอาจริงๆด้วยความกลัวบาปแทนมันนั่นเองแต่หลอนกลับแก้ไขบาปด้วยการเพิ่มบาปอื่นให้มันเข้าไปอีกคือป้อนกระไอร้ายแห่งโทสะเข้าสู่หัวจิตหัวใจมันตรงๆยามนี้พอกลับสติได้ก็เจ็บยิ่งกว่ามันถูกตีชนิดคูณสิบเข้าไปนัชเล่กอดอุ้ยโหยแน่นแนบชิดอกด้วยอยากให้ความอบอุ่น จากเลือดเนื้อของตนถ่ายถอนความเจ็บออกจากกายและลายความกลัวออกจากใจมันเร็วที่สุดแม่ขอโทษ พ, พึมพำแบบจ่อริมฝีปากแนบใบหูครู่หนึ่งเนื้อตัวสันเทาของเจ้าอุ้ยโหยก็สงบนิ่งมันพลิกหน้ายื่นปากแลบลิ้นเลียคางเจ้านายเป็นสัญญาณว่ามันเข้าใจความอาทรและเป็นสุขอยู่ในอ้อมกอดของหล่อนแล้วน้ะเลหัวร้อแผ่ว ก้มลงจูบหน้าผากมันทีหนึ่งแล้วอุ้มกลับไปนั่งที่ซุ้มชิงช้าตามเดิมพูดประโลมเรากับมันเป็นมนุษย์แม่ไม่อยากให้ลูกก่อกรรมก่อบาปเป็นเวรภัยติดตัวต่อไปอีกลูกจะเกิดเป็นอย่างนี้เพียงครั้งสุดท้ายแม่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกพ้นจากกำเนิดเดรัจฉานน้ำตาค่อยๆไหลรินลงมาทว่าน้าเสียงเรียบนิ่งนุ่มนวลปราศจากความสั่นเครือแม้แต่น้อย หนูต้องรู้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นกรรมดำกรรมดำจะทำให้จิตวิญญาณของหนูมืดบอดกรรมดำจะเป็นแรงยึดเหนี่ยวให้หนูต้องวนเวียนอยู่กับอบายภูมิโดยเฉพาะขณะที่หนูมีภพชาติแบบนี้ก็ยากที่จะมีกรรมขาวมาฉุดให้ขึ้นสูงได้อยู่แล้วถ้าหนูยิ่งทำกรรมดำซ้ำเติมตัวเองเข้าไปอีกก็จะถูกขังให้ติดอยู่กับความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบรู้สิ้น อยากให้มันเข้าใจทุกถ้อยคำเป็นแรงปรารถนาที่ยิงตรงจากก้นบึ้งหัวใจหล่อนสู่จิตใจมันอย่างแน่วแน่และโดยทางใดาทางหนึ่งที่อธิบายให้เชื่อได้ยากนัชเลก็รู้ว่าจะอุ้ยโหยสามารถรับสารจากหล่อนแม้จะไม่ใช่แบบที่มนุษย์สื่อสารกันอย่างน้อยเหตุการณ์ตามขั้นตอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ต้องทาให้มันซึมซับรับรู้แน่ๆว่าการพรากชีวิตสัตว์อื่นเป็นเรื่องต้องห้าม และมันจะต้องไม่ทําอย่างนี้อีกอย่างเด็ดขาดเด็กสาวลูบหัวลงไปตลอดหลังสัตว์เลี้ยงที่ใจนับเป็นบุตรในอุทธรด้วยความทนุถนอมสัมผัสนั้นทําให้หล่อนเพลินแล้วก็รู้ว่ามันเพลินตามเพราะเจ้าอุ้ยโหยหมอบนิ่งอยู่กับตักหล่อนเรากับกําลังทําสมาธิฉะนั้นต่างฝ่ายต่างเพลินในอาการเป็นดุษณีอยู่นานหลายนาทีกระทั่งเกิดเสียงตุ๊บใหญ่ที่ข้างกําแพงทั้งคนทั้งสัตว์ต่างสะดุ้งโยง สะบัดหน้าขับไปทางต้นเสียงพร้อมกันทั้งคู่พอเห็นเป็นหนุ่มแปลกหน้าก็ลุกพรวดขึ้นยืนตรงทันทีเด็กหนุ่มผู้บุกรุกยืดตัวจากอาการยองขึ้นยืนนักเลไม่กรีดร้องอย่างที่น่าจะเป็นอาจเพราะแปลกใจมากกว่าหวาดกลัวเมื่อเห็นชุดเสื้อยืดเกลงเกงขาสั้นหลังสะพายเป้กับถุงเท้ารองเท้านักกีฬาบวกกับหน้าตาท่าทางหอบเหนื่อยของหนุ่มแปลกหน้าแล้ว รู้สึกในพริบตาเดียวว่าเขาหนีร้อนมาเพึ่งเย็นมากกว่าเข้าบ้านด้วยประสงค์ร้ายอันใดจองเริกเองก็ทำหน้าคาดไม่ถึงเมื่อเห็นเด็กสาวยืนอุ้มสุนัขตัวเล็กเหมือนตุ๊กตาห่างไปไม่ถึง19ต่างฝ่ายต่างจ้องจังงังครู่หนึ่งเด็กหนุ่มก็เอ่ยขึ้นก่อนแบบหอบระหว่างคำขอโทษครับผมหนีนักเลงมาพวกมันตามทาร้ายขอหลบเดี๋ยวเดียวก็จะไป เขาขอเช่นนั้นทั้งที่สามารถข้ามบ้านไปได้อีกอาจเป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างบอกตอนเองว่าพึ่งหล่อนคนนี้ได้เจ้าอุ้ยโหยเริ่มเห่าและคำรามขู่ท่าทางอวดสักดาเกินตัวตามนิสัยประจำเผาพันธ์ของยอกเชียณัชเลยกมือเช็ดคราบน้ำตาที่อาจตกค้างปรับสติให้เข้าที่ได้แล้วและตบหัวสุนัขของตนเบาๆกระซิบสั่งให้หยุดเหา่าซึ่งก็ได้ผลทันใจ พระเจ้าอุ้ยโหยถูกฝึกให้เชื่องและปฏิบัติตามคำสั่งของนัชเลเสมอเงยหน้าขึ้นสำรวจร่างโสมเหงือของเด็กหนุ่มเนตรงามฉายแววระแวงภัยเอ่ยถามแบบค่อนข้างคาดคันคุณไปทำอะไรเขาถึงตามทำร้ายรับรองว่าผมไม่ได้ก่ออาชญากรรมอะไรผมเพิ่งเล่นแบกกับเพื่อนเสร็จเขาพลิกเป้สะพายหลังมายืนยันโชคไม่ดีเดินไปเหยียบเท้านักเลงใหญ่เข้า เขาเลยยกพวกวิ่งตามมากระทืบอยู่นี่เล่าแบบรวบรัดชนิดมีข้อมูลความจริงแต่ขาดรายละเอียดมาคนเดียวเหรอมากับเพื่อนแต่เขาขอตัวกลับก่อนจะเกิดเรื่องเอ๊ะน้ชะเลเอียงคอย่อนคิ้วช ง, งนด้วยความคลัคลายครั บ, รบรานี่เลิกหรือเปล่านะ่ะจองเริกตาเบิกโพรงที่คุ้นแต่แรกเปลี่ยนเป็นลึกออกทันทีทายใช่ไหม แม้ห่างหายจากกันห6ปีก็ยังมีเข้าหน้าแบบเดียวกับที่เคยร่วมห้องเรียนสมัยประถมปลายพอให้ระลึกถึงกันได้เด็กหนุ่มยิ้มกว้างขวางขณะที่เด็กสาวทำท่าตะลึงแปดตลบทั้งสองหัวเราะพร้อมกันเหลือเชื่อที่เรื่องประจจบเหมาะขนาดพาเขาและหล่อนมาพบกันอีกในสถานการณ์เช่นนี้เหมือนม่านแห่งการเวลากระชากวูบเดียวเจอกันอีกทีต่างฝ่ายต่างก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นคนละคนแล้ว เพียงแต่ยังคงจําได้ว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ขอหลบแป๊บเถอะน้ า, ายอืมมากกว่าแป๊บก็ได้ไปเหยียบเท้านักเรงมาจริงๆหรือจองเลิกเดินเข้ามาใกล้พระบัตรนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อการอีกแล้วเขารู้สึกโล่งอกและหายเหนื่อยไปกว่าครึ่งยิ่ยงกว่าเหยียบเท้าหน่อยหนึ่งเราเปิดประตูห้องน้ําไปชนเขาท่าทางคงขมําไปโดนโถฉี่เห็นโกรธจนลมออกหูเลยยังคงขยับไว้ ไม่เล่าให้แจมแจ้งแทงตลอดว่าตนไปกวนประสาทส่วนลากของฝ่ายนั้นอย่างไรแต่ก็ทำเอาเนัชเลหัวรับกิกได้เมื่อจิตนาการตามเห็นฉากสั้นๆคือเขาซุ่มซ่ามเปิดประตูชนหลังนักเรงโตจนหัวเสียแล้ววิ่งไล่ตามมาเหยียบทันทีนั่งก่อนสิเด็กหนุ่มนั่งลงพร้อมกับหล่อนตามคำเชิญ ส, สบายดีหรืออืมก็โอเค เด็กสาวขี้เกียจถามกลับตามธรรมเนียมเพราะทราบว่าเพื่อนชายกำลังอยู่ในระหว่างดวงไม่ดีแน่ๆก่อนวิ่งพ้นมือพ้นเท้ามาได้นี่โดนไปตุ๊บสองตุ๊บหรือเปล่ายังตามมาหลายคนสักห้าหกคนได้มั้งแต่เราลัดเลาะปีนเข้าบ้านคนมาเรื่อยๆน่าจะพลัดกันเด็กขาดแล้วแต่กกลัวพวกนั้นอาจด้อม ด, อดออ้มองมองคุ้มเชิงตามทางออกอยู่เลยอยากขอทายหลบภัยสักเดียวหนึ่งเอาเถอะไม่ต้องห่วง สายมีองครักภ์พิทักษ์ความปลอดภัยให้นัชเลพูดยิ้มยิ้มพรางก้มมองสุนัขแสนรักของตนจองเริก ม, มองตามพอจ้องมันก็โดนเห่าบอกหนึ่งเป็นการประกาศว่าอย่าได้ลองดีคิดกล้ำกลายเจ้านายของมันเชียวนะเด็กหนุ่มรู้สึกขบขันและเห็นว่าแม้แต่สัตว์ก็มีความเชื่อเฉพาะตัวถึงแม้ตัวกระจิ๋วหลิวโดนตกทีเดียวก็แดวดิ้นแล้วยังอุตส่าห์เชื่อว่า มันมีหน้าที่ปกป้องเจ้านายซึ่งตัวโตวกว่าเป็นสิบสิบเท่าได้อย่างนี้อีกนึกแล้วน่าฉนงนนักว่ามันเอาความเชื่อพันนี้มาจากท้องแม่หรืออย่างไรน่ารักดีนะเจ้านี่เริเรียนอยู่ที่ไหนนี่ภัทัยพัฒนเด็กสาวพยักหน้าอย่างพอจะเคยได้ยินชื่อโรงเรียนมัธยมเอกชนแห่งนั้นมาบ้างกะเอ็นคณะอะไรยังไม่คิดเลยจําได้สนิทว่าตอนเด็กๆ เ, เธอหมกมุ่นกับคอมมากที่สุดในโรงเรียน น่าจะเลือกเรียนคอมนะจองเลิกเหยียดยิ้มครั้นที่จะตอบว่าถ้าเลือกเรียนคอมก็กลัวว่าตนจะต้องเป็นฝ่ายไปสอนอาจารย์แทนต่างฝ่ายต่างพักเงียบอาการจุกเสียดจากการวิ่งยาวเริ่มแผงฤทธิ์เด็กหนุ่มงอตัวหน่อยๆก่อนยืดกายตรงและหายใจลึกๆนัชเลนึกได้ว่าเพื่อนอานกระหายน้าก็เบิกตานิดหนึ่งวิ่งมาไกลคงเหนื่อยแย่เดี๋ยวทายเข้าไปเอาน้ามาให้ดีกว่า ไม่ต้องหรอกทายความจริงเพิ่งกินอิ่มมายกๆยกต้องวิ่งยาวเลยจุกแอดนั่งพักเฉยๆเดี๋ยวก็หายเด็กสาวยิ้มให้และเขาก็ยิ้มตอบเป็นฝ่ายถามหล่อนบ้างทายละ่ะตั้งใจไว้หรือยังว่าจะเลือกเรียนอะไรก็คงจะคอมนี่ละมั้งรู้สึกว่าวิศวะคอมดึงดูดใจดีเด็กหนุ่มจ้องมองหน้าเพื่อนสาวด้วยแววทึ่งเขาหน้าเรียวในตาดากลมโตส่องประกายสวย รูปทรงองค์เอวแบบบางแต่ไม่ถึงกับผ่ายผอมรวมแล้วโชวนฝันเหมือนรูปกระตูนญี่ปุ่นโตขึ้นหล่อนยิ่งน่ารักกว่าที่เขาเคยชอบแอบมองตอนเด็กๆ เ, เสียอีกแต่พอได้ยินว่าหล่อนจะเลือกเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ก็ทำให้ประวัติคิดถึงคำปรามาตของตนเองเมื่อหยบๆที่ว่าตามสถิติผู้หญิงสวยมักปัญญาอ่อนในเรื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ทันข้ามวันเขาก็มาสะดุดเข้ากับ ความจริงที่ขัด ก, กันกับความเชื่อของตนเองเสียแล้วจองเริกชอบบุคคลที่เป็นข้อยกเว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข้อยกเว้นที่ขัดกับความเชื่อส่วนตัวของเขานัชเลเป็นเพื่อนในยามเยาว์วัยเพียงคนเดียวที่เขาระลึกถึงเสมอมาเคยนึกอยากรู้มาตลอดว่าป่านนี้ชีวิตหลอนไปถึงไหนแล้วและเสียดายเสมอว่าสมัยประถมไม่ตีสนิทให้มากกว่านั้น อย่างน้อยสืบถามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้เสียหน่อยก็ยังดีจะได้ไม่ต้องเอาแต่คิดถึงอย่างศูนเปล่าอยู่ตามลำพังหล่อนเป็นใครบางคนในชีวิตที่เขาจดจำได้อย่างแม่นยำด้วยเหตุผลหลายข้อข้อแรกคือดวงหน้าชวนพิสมัยไม่เหมือนใครข้อ2คือต่างฝ่ายต่างเป็นเด็กเงียบขรึมไม่สูงสิงกับเพื่อนๆเท่าไหร่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาทาธุระของตัวเอง ซึ่งไม่ค่อยสมวัยเท่าไหร่นักคุณสมบัตินี้ทำให้เขามองหล่อนเสมอตนคุณสมบัตินี้ทาให้เขามองหล่อนเสมอเหมือนสิ่งที่เข้าคู่กันได้ดีเสียแต่ครั้งอดีตนั่งห่างกันเกินไปเพื่อนหญิงคนนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นคือชื่อนาเลซึ่งหล่อนเคยลุกขึ้นตอบครูภาษาไทยว่า คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เพราะเกิดที่โรงพยาบาลชายทะเลพ่อคุณครูติดใจถามต่อว่าพี่สาวหรือน้องสาวมีที่มาของชื่ อ, อย่างไรอีกหล่อนก็ตอบว่ามีพี่สาวชื่อละอองฝนเพราะวันเกิดคุณพ่อต้องพาคุณแม่เข้าโรงพยาบาลขณะสายฝนเริ่มโปรยลงมาเย็นฉ่ำจองเลิกฟังที่มาของชื่อหล่อนแล้วจำสนิท เพราะนึกถึงทีไรจะเห็นหล่อนยืนเด่นสดใสที่ชายทะเลวันฟ้าโปรยฝนทุกครั้งและที่พิเศษสุดคือหล่อนมีวันเดินปีเกิดตรงกับเขาเพียงแต่ไม่แน่ใจนักว่าห่าง ก, กันกี่ชั่วโมงชั่วชีวิตคนเรามีโอกาสพบปะและรู้จักกับผู้เป็นสหาชาติได้น้อยนักตามสถิติคนส่วนใหญ่ไม่เจอเลยหรือเจอก็แค่รู้จักกันห่างๆอย่างเขากับหลอน จึงเคยนึกอยากเห็นกับตาประสาเด็กชอบตั้งโจทย์แปลกๆว่าถ้าเกิดวันเดือนปีเดียวกันทุกอย่างในชีวิตจะต้องเดินตามรอยเดียวกันไปด้วยหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ร่วมกันจะเกิดเรื่องดีร้ายพร้อมกันหรือว่ายิ่งคูณสองเข้าไปอีกวันที่ชะตาลากเขากับหล่อนมาพบกันควรเรียกอะไรวันแห่งความบังเอิญมหาวินาชวันแห่งโชควาสนา หรือว่าวันแห่งความสมหวังเขาน่าจะรู้มาตลอดว่าวันหนึ่งต้องเจอหลอนอีกเป็นความเชื่ออยู่ในส่วนลึกและมันก็กลายเป็นความจริงในบัดนี้แล้วลูกสมุนของทรายจ้องเราจังท่าทางหัวงเจ้านายหน้าดูยังเป็นลูกหมาอยู่หรือเปล่านี่โตแล้วแต่จะดูเหมือนลูกหมาไปตลอดชีวิตนั่นแหละพันนี้สังเกต ง, ง่ายๆถ้าเป็นลูกหมาจะขนสั้น ไม่ลากยาวเป็นไม้กว่าอย่างที่เห็นพันอะไรยอกเชียร์เทอเรียอ๋อคุณคุ้นหูนะท่าทางเพาะไว้ขายลูกสาวเศรษฐีโดยเฉพาะแค่ดูด้วยตาเปล่าใครก็รู้ว่ามันเป็นหมาไฮโซไว้ประดับบารมีแต่นัชเลรีปฏิเสธพลวันสายเอาความน่ารักเป็นหลักหลอกไม่ได้กะไว้อวดใครนะแล้วคนขายก็เป็นญาติกัน เลยซื้อได้ถูกกว่าราคาจริงในตลาดมากด้วยชื่อมันล่ะอุ้ยโหยจองเริกอมยิม้มดูหุ่นกับฟังชื่อแล้วนึกถึงตุ๊กตาของเล่นมากกว่าอย่างอื่นก็ถึงเรียกเจ้าพวกนี้ว่าเป็นพันตุ๊กตาหรือพันของเล่นไงเห็นแล้วหมันเขี้ยวพูดจบก็ประคองเจ้าตัวเล็กขึ้นใกล้ใบหน้ายนจมูกทำท่าคล้ายอยากฟัดให้สมใจ ซึ่งมันก็กระดกลล้นเรียบปลายจมูกหล่อนด้วยความจงรักภักดีจ้องเลิกมองนายเบาด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสัมผัสได้ถึงสายใยผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างมนุษย์กับสัตว์หายสงสัยว่าทำไมธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดดูตัวอย่างจากเพื่อนสาวตรงหน้าเขาแล้วก็เชื่อเลยว่าคงยอมเทหมดกระเป๋าให้กับสิ่งที่หลอนพิศวาสแทบขาดใจขนาดนี้ ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงบางพันธ์เอื้อให้จับตัดนั่นแต่งนี่จนเก๋ไก่ดังใจนึกเจ้าชีวิตผู้มีสิทธิผูกขาดสามารถกำหนดชะตากรรมของพวกมันย่อมเกิดความผูกพันย่อมทุ่มเวลาดูแลรับผิดชอบยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าได้รับคำชมจากใครต่อใครว่ามีสุนัขน่ารักน่าอุ้มเหลือเกินหรือเป็นที่หนึ่งในการประกวดสุนัขแสนสวยสักครั้ง ก็รับประกันว่ามีอะไรเป็นต้องประเคนให้มันหมดทรงยิ้มผูกไมตรีกับเจ้าอุ้ยโหยรู้สึกอ่อนโยนลงมากพอจะยื่นมือไปใกล้มันซึ่งก็ยังคงความแปลกใจให้กับนัชเลเป็นล้นพ้นที่เห็นหมาจอมหยิงของตนยื่นปากเลียมือเพื่อนหนุ่มแผลบแลบทั้งที่เพิ่งเจอกันแค่5้านาทีประหลาดแฮะมันยอมเลียมือเลิกด้วยสงสัยสเสน่ห์แรงท่าทางสายรักมันมากนะ เหมือนลูกเลยละ่ะแสดงว่าต้องหวงหน้าดูขออุ้มคงไม่ให้ซรายนะ่ะให้เริกอุ้มมันได้แต่อุ้ยโหยมันจะไม่ยอมให้อุ้มนะซีแม้แต่คนในบ้านจะแตะหรืออุ้มมันก็ไม่ยอมยอมซรายคนเดียวลองสิหลอนยื่นให้และจองเริกก็ทำท่าจะยื่นมือรับแต่ผลก็อย่างนันชเลมบอกไว้ล่วงหน้าเจ้าอุยย้ยโหยรีบม้วนตัวหันหน้ากลับเข้าสู่อ้อมอกนายสาวทันที แถมเห่าบล็อกหนึ่งเป็นเชิงตาวาดว่าอย่ามายุ่งกับฉันซึ่งนั่นค่อนข้างเป็นธรรมชาติวิสัยของหมาไฮโซจำพวกนี้เด็กหนุ่มหัวเราะหึห่ยหึอย่ังไม่ติดใจถือสาพ่อแม่ซายยอมลงทุนซื้อเป็นเครื่องดึงดูดให้อยู่ติดบ้านมัง้งตอนซายไม่อยู่มันก็คงไม่เล่นกับใครและเหงาหน้าดูอย่างนี้ทายจะยอมตัดใจห่างมันไปนานๆได้ไงจริงไหมอิอิแม่ทายรู้อย่างนี้แล้ว ก็คิดอย่างนี้จริงๆแหละเคยเปรยด้วยซ้ำว่าพวกหมาของเล่นนี่เหมือนเกิดมามีหน้าที่เป็นโซ่ทองคล้องข้อมือลูกสาวไว้อยู่ติดบ้านช่องไม่ต้องเร่ออกไปติดยาอีที่ไหนน้เลคุยให้ฟังเรื่องเจ้าอุ้ยโหยด้วยซุ้มเสียงของคนมีความสุขท่าทางชีวิตหล่อนคงเหมือนไข่ในหินเติบโตท่ามกลางความรักความอบอุ่นในบ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศปองดองจองเลิก นิ่งมองด้วยสายตาเล็งแลลึกซึ้งเขาเกิดวันเดือนปีเดียวกับหล่อนแต่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระดับเดียวกันเลยดูหน้าตัวเองในกระจกกี่ครั้งก็ไม่เคยมีรังสีคุณหนูฉายเด่นเฉกเช่นที่เห็นจากหน้าทะเลแม้แต่น้อยทว่านั่นไม่ได้ทำให้เกิดความรษยาแต่อย่างใดตรงข้ามเขากลับมองหล่อนอย่างชื่นชมยินดี และมีความรู้สึกคล้ายได้ร่วมส่วนแบ่งความอบอุ่นในชีวิตหล่อนมาเหมือนนชเลเป็นต้นทานแห่งความสุขที่ใครๆเข้ามาในรัสมีแล้วพลอยได้ลอยคอสำราญไปด้วยท่าทางชีวิตสายเป็นสุขดีนะเออยทักอย่างใจคิดนชเลเหลือบแล้เขาด้วยแววชงนเราเกิดวันเดียวปีเดียวกันชะตาก็น่าจะให้เป็นสุขพอๆกันไม่ใช่หรอจองเิกตาโตด้วยความคาดไม่ถึง ซายจำได้ด้วยว่าเราเกิดวันเดียวกันจะลืมได้ไงคนเกิดวันเดียวปีเดียวกันมีผ่านมาให้รู้จักสักกี่รายเด็กหนุ่มหัวเราะยินดีอย่างน้อยเขาก็มีความหมายพิเศษในความทรงจำของหล่อนมากกว่าแค่เป็นเพื่อนนักเรียนประถมชีวิตเราน่าสนุกแต่ไม่เคยเป็นสุขเท่าซายหรอกอย่างน้อยพ่อแม่เราก็ไม่เอาใจใสล่ลูกๆเท่าพ่อแม่ทายแน่นอนนี่ก็สะท้อนนะว่า แค่บังเอิญเกิดวันเดียวปีเดียวกันยังวัดไม่ได้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายกว่ากันเด็กสาวชะงักเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเขาเ อ, อ่ยด้วยอารมณ์ไหนจึงไม่กล้าปลอบประโลมเหมือนจะแสดงความเห็นใจใดๆได้แต่เบี่ยงประเด็นไปอีกทางเจอเลิกแล้วทำให้นึกถึงโรงเรียนเก่ากับพวกคุณครูจังนั่นสิบังเอิญจริงๆนะที่เรามาเจอกันอีกณนะชะเลยิ้มแบบคนที่คิดอีกอย่าง ทรายถูกสอนให้เชื่อว่าความบังเอิญไม่มีในโลกมีแต่เหตุผลที่เราไม่รู้จองเลิกยิ้มแบบคนที่เคยครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้มาแล้วอย่างละเอียดถ้าพูดแบบคนขี้เกียจคิดมากก็เรียกว่าบังเอิญถ้าคิดแบบศาสนาอื่นก็ต้องบอกว่าฟ้าเป็นผู้ลิขิตถ้าคิดแบบพุทธก็ต้องบอกว่ากรรมเป็นตัวกาหนดอย่างนั้นใช่ไหม เด็กสาวยิ้มพรายอย่างสบอารมณ์รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนคุยที่ถูกคอดีใช่ช่างใจครู่หนึ่งก่อนหยิกนิดนิดคนเราอยากมองแบบไหนก็มีความจริงให้เห็นตามนั้นอย่างจะมองว่าเริกบังเอิญต้องเป็นผู้บุกรุกก็ได้หรือฟ้าขีดชะตาให้จำนนจนยอมเป็นผู้บุกรุกก็ได้ หรือเจตนาก่อกรรมทางกายปีนป่ายกำแพงบ้านคนอื่นจนตกอยู่ในฐานะผู้บุกรุกก็ได้สำหรับทายสมัครใจเชื่อว่าคนเราอยู่ในฐานะอะไรก็ด้วยกรรมที่ตนก่อเด็กหนุ่มหัวเราะเอื่อยเพิ่งตระหนักว่าเพื่อนสาวนอกจากน่ารักแล้วยังฉลาดพูดด้วยถ้าเล่งกันในเรื่องกรรมก็ต้องว่าเมื่อกี้เราเพิ่งวิ่งหนีกรรมที่ไปทาให้เขาโกรธมา แต่ถ้าคิดย้อนไปก่อนหน้าที่เราจะก่อกรรมละ่ะอะไรทำให้เราผลักประตูไปโดนลูกพี่เขาในจังหวะนั้นพอดีแล้วหลังจากวิ่งหน้าตื่นใช้กรรมอยู่ภาคหนึ่งอะไรละ่ะที่ส่งสายมานั่งรอรับเราพอเหมาะพอเจาะในบ้านหลังนี้แรงดึงดูดที่มองไม่เห็นไงคำตอบนั้นทําเอาจองเริกชะงักอึง้งและถึงกับครางทวนคาแรงดึงดูดที่มองไม่เห็น นชเลแปรสายตาไปมองกราดสิ่งแวดล้อมรอบด้านทุกวัตถุเหมือนมีแรงแม่เหล็กดึงดูดอยู่รู้ไหมตอนกำลังวิ่งเริกไม่มีทางสังเกตรหรอกว่าตัวเองกำลังแล่นมาตามการนำร่องของบางสิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้เด็กหนุ่มขมวดคิ้วจ้องมองเพื่อนสาวด้วยแววทึ่งแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าแรงดึงดูดนั้นมีจริงไม่ใช่แรงผลักของความบังเอิญเอาอย่างนี้ก่อน เด็กสาวขยับตัวตั้งตรงด้วยความกระตือรือร้อนเหมือนคนที่เพิ่งค้นพบความลับแล้วอยากบอกต่อเธอว่าฝ่ามือเธอมีแรงดึงดูดแบบแม่เหล็กได้ไหมจองเริกรีตาแยกยิ้มมุมปากข้างหนึ่งก่อนสายหน้าอย่างไม่มั่นใจนักท่าทางนัชเลเหมือนรู้ว่ากำลังพูดอะไรในขณะที่หัวของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและเขาก็ต้องการทราบคาเฉลยมากกว่าจะยอมรับว่า เขาไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องมือของตัวเองอย่างนั้นสายจะให้ทดลองอะไรง่ายๆที่เริกจะได้ a เม z ิ่งทันทีลองนะโอเคถูมือแรงๆสองสามหนจนรู้สึกร้อนนัชเลบอกเป็นขั้นๆซึ่งจองเริกก็ทำตามทันทีอย่างจะเอาใจนั่นแหละพอแล้วแรงมากเดี๋ยวไฟลุกห้ามเขาหัวเราะหัวเราะคราวนี้แนบมือประกบกันเด็กหนุ่มประกบมือพนม เขาหน้าสงบเหมือนไหว้พระเด็กสาวเห็นแล้วยิ้มขันเล็กๆค่อยๆแยกมือออกห่างกันสักฟุตหนึ่งช้าๆนะสังเกตไอร้อนระหว่างฝ่ามือที่ยังตกค้างอยู่นิดๆถึงออกห่างกันแล้วก็ยังชา้ชาๆนั่นแหละทีนี้ค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันใหม่ชา้ชาๆสังเกตด้วยนะว่าระหว่างฝ่ามือเหมือนเกิดแรงกระทาขึ้นมาอ่อนๆจองเลิกยังไม่รู้สึกชัดนักในรอบแรก แต่พอแยกมือแล้วเคลื่อนกลับมาอีกหนจนเกือบประกบชิดก็เริ่มตระหนักว่ามีพลังกระทำบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างฝ่ามือจริงๆรู้สึกไหมเด็กหนุ่มพยักหน้าอืมรู้สึกแล้วทําความรู้สึกไว้ที่สนามพลังระหว่างฝ่ามือนั่นนะคราวนี้ตั้งให้ห่างกันคงที่สักครึ่งฟุตนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วนึกกําหนดให้มันเป็นแรงดึงดูดที่เข้มข้นขึ้น คราวนี้จะรู้ว่าเธอมีอำนาจควบคุมพลังที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพียงนัชเลพูดนำนิดเดียวจองเริศก็พบด้วยความอัศจรรย์ใจว่าฝ่ามือตนเกิดแรงดึงดูดเรากับมีกระแสะแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เคลื่อนเข้าหากันหน่วยตาของเขาเบิกกว้างขึ้นอย่างทึ่งๆริมฝีปากเผยยิ้มงง ง, งนันเคลื่อนฝ่ามือเข้าออกทีละน้อยอย่างเห็นเป็นการค้นพบที่แปลกใหม่เป็นไง เด็กสาวถามกล้วหัวเราะสมใจที่เห็นประกายตาเย็นชาเป็นนิดของเพื่อนหนุ่มทอแววจรัสเหมือนเล่นกลเลยนะเขาพึมพำและรับทราบด้วยตนเองว่าอาจกำหนดนึกให้สนามพลังอัดกันเป็นก้อนใหญ่ก็ได้เป็นแรงดึงดูดก็ได้เป็นแรงผลักก็ได้เร่งให้แรงก็ได้ผ่อนให้เบาก็ได้นี่แหละพวกฝึกรักษาโรคด้วยพลังจิต บ, บางสายก็เริ่มต้นจากการรู้จัก แรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือแบบนี้ถ้าเธอรู้สึกถึงพลังได้แล้วเอาไปจอหน้าผากคนปวดหัวเขาก็อาจหายปวดหัวศาสตร์เกี่ยวกับปราณจะอธิบายว่าเป็นการเอาปราณของเธอไปชดเชยปราณที่ขาดไปของคนไข้จองเริกเม้มปากยิ้มและวางมือลงบนตักเงยหน้ามองเพื่อนสาวไม่เจอกันนานซายกลายเป็นแม่มดไปแล้วนชเลหัวเราเสียงใส ความจริงนี่ไม่ใช่ศาสตร์ลี้ลับอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาทุกคนมีเครื่องมือรักษาโรคติดตัวมาแต่เกิดแต่เราไม่รู้จนกว่าจะมีใครบอกให้ลองใช้เด็กหนุ่มพงกศรษะยอมรับหน้าทึ่งดีเพิ่งรู้ว่ามีพลังแฝงซ่อนอยู่ในฝ่ามือเราด้วยนึกว่ามีแต่ในหนังจีนกำลังภายในนั่นแหละอำนาจกรรมน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นมันดึงดูดเธอไปเจอกับ นักเลงได้มันผลักเธอพ้นจากอันตรายและดึงดูดมาถึงบ้านทายได้ช่วงวูบนั้นจองเริกคนลุกแปลกๆรู้สึกเหมือนภาพที่ปรากฏตรงหน้าทั้งหมดเป็นการแสดงตัวของพลังบางอย่างใบหน้าอันเป็นที่รู้จักดวงนี้ไม่ได้ปรากฏในยามคับขันโดยบังเอิญบุคคลการสถานที่ต่างมีสายใยถักทอเข้าหากันส่วนจะทรงแรงผลักสหรือแรงดึงดูด ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหนุนหลังที่ลึกลับเหนือการรับรู้เขาเป็นแค่ตัวอะไรตัวหนึ่งที่ถูกคลื่นกรรมซัดไปทางโน้นทีทางนี้ทีโดยไม่ทราบเหตุผลแล้วพยายามเรียกความประจวบเหมาะทั้งหลายว่าความบังเอิญสั่นศีษะสลัดวูบความเห็นอันประหลาดนั่นทิ้งก่อนวกกลับไปถามจุดเดิมแล้วอำนาจกมอะไรดึงดูดให้เราไปเจอนักเลงคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแท้ อยู่ดีๆทำไมต้องมีเรื่องกันจองเลิกก้มหน้าหลบแวบนึกยอมรับว่าถ้าเพียงเขาขอโทษขอพยหมอนั่นดีๆโดยไม่มีทิฐิก็คงสิ้นเรื่องที่หน้าประตูห้องน้ํานั่นเองแต่จะให้เขายิ้มรับหน้าชื่นว่าเป็นฝ่ายผิดคงยากหน่อยละ่ะเจ้าเบิกนั่นเสือกตะคอกคุกคามเขาก่อนทําไมจะบาปแต่ผนหลังปางไหนก็ดีแล้วเพราะในที่สุดก็ทําให้เราได้มาเจอเพื่อนเก่า ซายอาจเป็นเหตุผลแท้จริงการประสบเหตุให้โดยไล่กวดคงเป็นเพียงตัวแปรต้อนเรามาถ้าชะตาจะต้องเจอกันถึงวันนี้ไม่วิ่งหนีนักเลงพรุ่งนี้ก็ต้องเดินชนกันในห้างณทเลแย้งด้วยความเชื่อมั่นทุกคนบนโลกต่างเป็นกลไกอยู่ในเครื่องจักรขนาดมหือมาและทุกกลไกก็พร้อมจะทำงานตามการควบคุมดูแลของกรรมเสมอ ทรารู้เรื่องอะไรพวกนี้เยอะจังนะถ้ากรรมวิบากมีจริงเขาบอกไว้ไหมว่ามันแฝงอยู่ในรูปพลังแบบไหนบอกแล้วหล่อนก็สาธยายเสียงเรียบสม่ำเสมอคล้ายอ่านเอาตรงๆจากหนังสือพลังของดินอยู่ในรูปของความแข็งพลังของน้ำอยู่ในรูปของความเอิบอาภพพลังของไฟอยู่ในรูปของความร้อนพลังของลมอยู่ในรูปของความพัดไหว แต่พลังกรรมจะอยู่ในรูปของความจริงที่เคยมีเหตุเป็นกุศลหรืออกุศลจองเริกเม้มปากก่อนทวนคำแบบคิดตามพลังที่อยู่ในรูปของความจริงใช่แล้วพวกเรารู้จักความจริงกันน้อยไปความจริงเป็นสิ่งไม่กินพื้นที่ไม่มีขนาดรูปทรงและความจริงใดเกิดขึ้นแล้วจะไม่บิดเบี้ยวตามเวลาที่ผ่านไปแม้ความทรงจาของเราแปรปรวนเป็นอื่น จำคำเก่าไม่ได้แล้วก็ตามเด็กหนุ่มพยักหน้าช้าๆอย่างคนเข้าใจอะไรเร็วอืมขอเพียงมีเจตนาก่อเหตุการณ์และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามเจตนาเหตุการณ์นั้นๆจะกลายเป็นสัจจะขึ้นมาทันทีพลังแห่งสัจจะนั้นเองถืออำนาจดนบันดาลสูงสุดและทํางานทํานองเดียวกับกระจกเงาใครก่อภาพความสงบสุขแก่ผู้อื่น วันหนึ่งย่อมเห็นผลสะท้อนเป็นความสงบสุขของตนเองใครก่อภาพความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นวันหนึ่งย่อมเห็นภาพสะท้อนเป็นความเดือดร้อนของตนเองจองเิกกระพริบตาปริบๆหนาวสันหลังยาเยือกชอบกล น, น่ากลัวนะเ อ, อ่ยแล้วหัวเราะแปลงๆความจริงคือเกิดมาเราไม่ค่อยทำให้ใครมีความสุขบ่อยเท่าไรบ่อยเหมือนกันแหละหนารอนรีบให้กาลังใจ เริกเคยสอนเลขเพื่อนๆเป็นประจำไงซายเองก็เคยต้องถามเลิกสองสามหนจำได้สนิทว่ารู้สึกขอบคุณมากๆเวลาออกจากทางตันได้นี่คนเราจะปลอดโปร่งโล่งอกมากนะวิทยาทานที่เธอเคยทำนะ่ะขอให้รู้เธอว่าสร้างความสุขกับเพื่อนๆไว้ไม่ใช่น้อยความดีในวัยเด็กย้อนกลับมาสู่ความทรงจำเขาไม่เคยนึกถึง อาจเป็นเพราะช่วงหลังค่อนข้างห่วงวิชาหรือไม่อยากเสียเวลาเพื่อคนอื่นนักคนเราพอประพฤติอย่างใดนานเข้าก็ลืมความประพฤติที่เป็นตรงข้ามกันในอดีตได้สนิทแต่ยามนี้เมื่อเพื่อนสาวเตือนให้ระลึกถึงทานอันเป็นความจริงที่เคยทำก็บังเกิดความอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกแค่ความดีเล็กๆน้อยๆตอนอยังเด็กเท่านั้นสายอุตสาจําได้ด้วย นัชเลยื่นหน้ายิ้มหวานให้ราวกับยื่นดอกไม้แสนสวยเป็นรางวัลเป็นเด็กก็ทำดียิ่งกว่าผู้ใหญ่ได้นี่ใครแบ่งล่ะว่าเล็กน้อยหรือใหญ่โตแค่ไหนอาจเป็นเพราะผลกรรมดีข้อนี้ก็ได้ที่เบรกเลิกไว้ที่บ้านทรายทรายเคยคิดจริงๆนะว่าอยากตอบแทนเลิกบ้างแต่สมัยเรียนด้วยกันไม่มีโอกาสเลยขอบใจนะที่ทาให้ระลึกถึงความดีเก่า เราเองลืมไปแล้วด้วยซ้ำเด็กสาวเลิกคิวขึ้นสูงด้วยความรู้สึกเปล่งแปรกับคำพูดและท่าทีของเขานาทีนั้นนัชเลพบว่าหลอนและจองเลิกไม่เคยสนิทสนมไม่เคยรู้จักมักจีกันจริงจังเลยและช่วงเวลาที่ห่างเหินมานานก็ไม่ทราบว่าเขาก่อกรรมดีร้ายมากมายเพียงใดด้วยทั้งสองตกอยู่ในความงันนิ่งครู่หนึ่งก่อนที่จองเลิกจะเหลือไปเห็นหนังสือข้างกายหลอน จึงได้เรื่องทักทำลายความเงียบก่อนเรามาถึงนี่ทายกำลังทำอะไรอ่านหนังสือธรรมะเหรอแม่อักษรกลับหัวในมุมมองของเขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรับรู้แต่อย่างใดเห็นถนัดว่าชื่อหนังสือคือเลือกเกิดใหม่ใช่คงไม่หาว่าทายแก่แดดนะที่อ่านหนังสือธรรมะจองเลิกหัวเราะเบาๆทายพูดจนเราเลื่อมสายได้ขนาดนี้ ถ้าไม่มีความชอบใจฝักใฝ่อ่านหนังสือธรรมะก็คงแปลกไปละ่ะขอเราดูหน่อยได้ไหมชื่อหนังสือน่าสนใจดีนัชเลหยิบและยืน่นหนังสือให้เขาตามคำขอทันทีมันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กหนาประมาณ200หน้าปกอ่อนรูปประตูสิบานเรียงกันเป็นวงกลมประตูแต่ละบานมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันทั้งสดใสเป็นแก้วเจรไน ทั้งขาวสว่างศาสตร์รัศมีกระจ่างทั้งแดงเขียวลายพร้อยทั้งทาเทาทึบถึมไปจนกระทั่งดำมืดครุขระประดุดฐานตรงใจกลางเป็นคําโปรยปกสองบรรทัดสั้นๆว่าใช้ชีวิตมาถึงไหนคือเลือกเกิดใหม่ไปถึงนั่นจองเลิกพลิกดูปกหลังเพื่ออ่านขยายความตามวิสัยทัศน์ของผู้เขียนอีกชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผู้ใดต้องพะวงกับเรื่องเกิดใหม่ไว้ใกล้ตายค่อยคิดกันทีหลังไม่ดีหรือใช่เรื่องนี้เหมาะสำหรับคนใกล้ตายเช่นชายหญิงวัยทนงในข่าวอุบัติเหตุหรือเด็กหน้าสังเวชในข่าวเชื้อโรคร้ายและอาจรวมได้ถึงคนอ่านข้อความนี้ที่ไม่อาจพยากรณ์การมาถึงของมัจจุราชว่าพลาดเมื่อวานแล้วจะเป็นวันไหน คนลุกอีกระลอกปิดหนังสือเงยหน้ามองนาำเลแล้วพูดจากความรู้สึกน่าสนใจเหมือนกันนะเอากลับไปสิซายให้แต่เหมือนซายอ่านค้างไว้ยังไม่จบไม่ใช่เหรอจบแล้วแค่เอามาอ่านซ้ำเพราะชอบนะเลิกเอาไปเถอะหล่อนขยันขยอด้วยรอยยิ้มของคนอยากให้ด้วยความเต็มใจ จองเลิกสัมผัสกระแสความปรีดาจากการคิดให้ของนัชเลชัดกระจ่างขณะหล่อนเอ่ยคำสุดท้ายคล้ายมีประกายรัศมีสุขสว่างว่าบออกมาราวกับแสงฟ้าที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเพิ่งทราบจากประสบการณ์ตรงว่าคนที่ให้อย่างไม่เสียดายให้อย่างไม่มีเงื่อนไขให้โดยหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้รับนั้นมีความน่าอบอุ่นชวนพิศวงเพียงใด และประสบการณ์พิเศษเพียงชั่วขณะเดียวก็จุดประกายความคิดได้มากมายจองเลิกเพิ่งเห็นประจักษ์ว่าแม้แต่การให้ทานก็มีระดับสมัครเล่นไปจนถึงระดับมืออาชีพนชเลเพิ่งสอนเขาผ่านความเป็นตัวหลอนเองนั่นคือผู้ให้ย่อมเป็นสุขและผู้ให้ย่อมไม่เป็นผู้ขาดขอบใจมากนะทรายเอยได้เพียงสั้นความจริงเขาอยากต่อให้มากกว่านั้น ทว่าเต็มตื้นกับคำว่าขอบใจของตนเองว่ากลันออกมาจากน้ำจิตบริสุทธิ์ลึกซึ้งปานใดเขายัางไม่เชื่อเรื่องกฎกรรมในธรรมชาติแต่เขานี่แหละจะเป็นผู้สร้างกฎแห่งกรรมให้กับน้เลหล่อนให้เขาหลายสิ่งในวันเดียววันหน้าเขาจะให้หล่อนมีทุกสิ่งตามปรารถนาไปทั้งชีวิต